ในรูปแบบต่างๆนี้ก็เป็นการดับความทุกข์ของพวกเรานั่นเองเราอยู่บ้านเฉยๆเบื่อหน่ายหงุดหงิดว้าเว่เศร้าซ้อยง่อยเงาเราก็เลยต้องออกไปหาสิ่งต่างๆภายนอกเพื่อมาดับความว้าเหว่ความเศร้าซ้อยง่อยเงาความหงุดหงิด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 ก็ปะทุเป็นไฟใหญ่ขึ้นมาใหญ่กว่าไฟเดิมที่ติดอยู่เสีดยดายซ้ำไปนี่คือวิธีดับความทุกข์ของพวกเราพวกเราดับความทุกข์ด้วยการสาดน้ามันเบนซินลงไปในกองไฟกองไฟแห่งความทุกข์ของเราเราดับความทุกข์ด้วยการหาความสุขทางตาหูจมูกร่างกาย ด้วยการไปหาลาบยศสรรเสริญเพื่อที่เราจะได้มีการมีความสามารถในการที่เราจะเสพความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้อย่างไม่มีขอบไม่มีเขตต่อให้เราได้เสพมากน้อยเพียงไรเราก็จะได้ความสุขหรือระงับความทุกข์ชั่วคราวชั่วขณะที่เราได้เสพ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 แล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่เกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจขึ้นมาใหม่อีกก็ต้องไปทำตามความอยากอีกนี่คือวิธีของปุตุชนอย่างพวกเราทั้งหลายได้กระทำกันมาอย่างโชคโชนไม่เฉพาะแต่ชาตินี้พบนี้เท่านั้นเคยทำอย่างนี้มาทุกพบทุกชาติในอดีตที่นับไม่ถ้วนมาแล้วแล้วก็จะ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 ตันหาความอยากกามาตันหานี้เป็นอย่างหนึ่งอย่างที่สองก็คือภวะตันหาความอยากมีอยากเป็นอย่างที่สามก็คือวิภวตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นความอยากมีอยากเป็นก็อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะมีเกียรติมีหน้ามีตาความจริงคนเราทุกคนนี้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 ก็ทำให้จิตใจนั้นต้องวุ่นวายต้องพวักพวนต้องตะเกียกตะกายต้องต่อสู้อุปสรรคต่างๆนานาที่จะขัดขวางไม่ให้ได้สิ่งที่ตนอยากได้พอได้ก็เกิดความโลภอยากจะได้สูงขึ้นไปมากขึ้นไปอพอไม่ได้ก็เกิดความเสียใจก็เป็นความทุกข์ทั้งสองส่วน ได้มาแล้วก็สุขเดียวเดียวดีใจเดียวเดียวเช่นได้เลื่อนขั้นจากในร้อยเป็นในพันก็ดีออกดีใจเลี้ยงฉลองกันยังไม่ทันเสร็จก็เกิดความอยากจะเลื่อนขึ้นไปเป็นในพนแะล้วก็ต้องดิ้นรนกันต่อไปนี่คือวัตจาจักของความอยากกับความทุกข์ที่ไม่มีวันจบสิ้นที่เกิดจากภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็น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 ยากจนกันต่อสู้หนีความต่ำต้อยกันต่อสู้หนีความแก่ความเจ็บความตายกันแต่ความเจ็บความตายนี้หนียังไงก็หนีไม่พ้นก็จะต้องทุกข์ต้องเครียดเวลาที่จะต้องเจอความแก่เวลาที่เจอความเจ็บไข้ได้ป่วยและเวลาที่เจอความตายพอตายไปก็ ไปเกิดใหม่เพราะยังมีความอยากเสพกามตัญหาภวะตัญหาวิภาวะตัหาอีกมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเป็นรอบรอบรอบของการเกิดแก่เจ็บตายส่วนภพชาติที่จะได้ในแต่ละรอบนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญกับบาป ท, ที่ได้ทำไว้รอบไหนบุญมีกำลังมากกว่าก็ได้พาให้ไปเกิดในภพที่ดี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 ถ้าเราอยากจะดับความทุกข์ใจอย่างถาวรเราก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาก็คือเราต้องมองเห็นตายรักษณตายรักษณ์แปลว่าคุณสมบัติของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่มีอยู่ในสิ่งต่างๆที่เรารักไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือข้าวของต่างๆล้วนมีคุณสมบัติสามประการนี้คือมีตายรักษณมีอนิจจังคือความ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 ใจของเราก็จะปล่อยวางตามภาษาโลกก็เรียกว่าโปร่งโปร่งว่าไม่มีอะไรแน่นอนพร้อมที่จะรับกับความจริงอันนี้ถ้าเราพร้อมที่จะรับความจริงตรงได้ปล่อยได้เราก็จะหยุดความอยากให้สิ่งต่างๆที่เรารักเราชอบนั้นไม่เปลี่ยนแปลงได้เรายอมรับการเปลี่ยนแปลง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 นี่แหละคือการที่เราไม่ไม่รู้อริยสัจสี่ไม่รู้สัจธรรมทําให้เราแก้ความทุกข์ที่ไม่ถูกที่เหมือนอย่างน้องตาท่านพูดว่าเกาที่เกาตรงที่มันไม่ขันมันคันตรงศีรษะไปเกาที่ที่ที่ท้ายที่ก้นอย่างนี้เกาไปยังไงมันก็ไม่หายขันใจของเรามันทุกทุกที่ใจมันไม่ได้ทุกขี่ร่างกายมันไม่ได้ทุกข์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้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 พอเวลาได้เงินทองหมดเวลานั้นก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาใหม่แล้วเราก็ไม่สามารถควบคุมบังคับให้เงินทองนั้นมีอยู่กับเราไปได้ตลอดทุกเวลาเราก็เลยเกิดความทุกข์กับเงินทองขึ้นมาอีกทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้ไม่พอก็มาทุกข์กับเรื่องที่จะมาแก้ความทุกข์อีกเพราะเครื่องมือที่จะใช้ในการแก้ความทุกข์ก็ไม่แน่นอนอมีการเปลี่ยนแปลงมีการหมดไปได้ มันก็เลยไม่ได้เป็นการแก้วความทุกข์มันกลับเป็นการสร้างความทุกข์เพิ่มขึ้นมาใหม่อีกเรื่องหนึ่งนั่นและคือวิธีการแก้ปัญหาแก้วความทุกข์ใจของพวกเราที่ยังไม่ได้เข้าถึงพระอริยสัจสี่ยังไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติอย่างจรงิงจังถ้าเราน้อมเอาไปปฏิบัติอย่างจรงิงจังถ้าเราทาใจ ให้สงบได้จเจริญสติดึงใจให้กลับเข้าไปข้างในได้พอใจสงบแล้วใจจะเห็นการทำงานของอริยสัจสี่เพราะอริยสัจสี่นี้อยู่ภายในใจเวลาใจคิดไปในทางที่ไม่ดีใจจะเพิ่มขึ้นมาทันทีใจจะทุกข์ขึ้นมาทันทีเหมือนกับน้ำน้าในในในสระถ้าน้ำในสระมันนิ่งนี่เราตัวปลานี่มัน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 เราเลยไม่รู้ว่าความทุกข์นี้มันเกิดจากใจของเราเองแต่พอเราทำใจให้สงบใจนิ่งนิ่งเหมือนน้ำที่มันนิ่งพอความอยากโผล่ขึ้นมาปั๊บนี่เจ้าน้ำก็จะกระเพื่อมใจก็จะกระเพื่อมขึ้นมาทันทีเหมือนโผเหมือนปลาที่ผุดขึ้นมาจากน้ำนั่นแหละคือความจำเป็นของสมาธิถ้าไม่มีสมาธิแล้วจะไม่มีวันเห็นอริยสัจสีได้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 พอเรามีสติหนึ่งใจกับเข้ามาใจมีความสงบ พ, พอกิเลสตัณหาความอยากทํางานปั๊บเราก็จะเห็นใจกับเพิ่มขึ้นมาเราก็ใช้ปัญญาแก้ได้ทันทีหยุดตัณหาความอยากได้ทันทีแล้วต่อไปความทุกข์ต่างๆก็จะไม่มีภายในใจเราอีกต่อไปเพราะทุกครั้งที่เกิดความอยาก ที่จะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเราจะมีปัญญาที่จะคอยทําลายความอยากได้ทุกขังไสนี่แหละคือวิธีการของการดับทุกข์ของพระพุทธเจ้าทรงดับได้อย่างราบคาบดับได้อย่างหมดสิน้นจนพระทัยของพระองค์นี้ไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่เลยมีแต่ปรมังสุขขังมีแต่บาลมสุขและเป็นความสุขที่ถาวร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 เกิดจากการที่เรามาฟังเทศฟังธรรมกันในวันนี้ด้วยกายวาจาใจที่สงบเราฟังแล้วถ้าเราจิตใจไม่ได้ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ร่างกายของเราไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้ทาอะไรวาจาของเราไม่ได้พูดคุยกันธรรมทั้งหลายก็จะเข้าไปสู่ใจและจะเป็นธรรมที่จะปลุกให้เกิดธรรมต่างๆขึ้นมาตามลาดับต่อไป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 จันโทปนะราโสยธามนิโชติราโสยธาสภิติโยวิวาจันโตสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีริสานิจังวุธาปจายโนจตารโรธมรมวทานติ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 ถ้าไม่มีความสนใจไม่มีความอยากจะรักษาคนอื่นไปสอนอย่างไรก็เสียเวลาไปเปล่าๆ เ, เพราะฉะนั้นขั้นแรกนี้ต้องถามคนไล้ว่าอยากจะรักษาด้วยธรรมโอสถหรือเปล่าถ้าอยากมันก็สอนเขาวิธีรักษาก็คือให้เจริญสติความซึมเศร้าก็เกิดจากความคิดปรุงแต่งไปในทางที่ไม่ดีนั่นเองทาให้เกิดความ่อมเศร้าขึ้นมา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 เสริมเศร้าขึ้นมาได้ถ้าเราไม่ไปผูกใจไปฝากความสุขของเราไว้กับสิ่งต่างๆในโลกนี้เราก็จะไม่เสริมเศร้าเราก็จะอยู่กับความสงบของเราได้อย่างสบายคําถามข้อต่อไปจากผู้ฝากถามมานะคะข้อที่หนึ่งในหนังสือปฏิปทาของหลวงตาเขียนว่าตอนปูที่นอนให้หลวงปูมั่น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 ถ้าเราอยากจะทําหน้าที่เราก็จะต้องมีความระมัดระวังความระมัดระวังนี้ก็คือการจเจริญสติดีๆนี่เองผู้ที่ได้รับโอกาสไปรับใช้คูบาอาจารย์จึงมีโอกาสที่จะได้ฝึกสติเป็นอย่างมากพอก้าวเข้าไปสูป่หน้าท่านนี้ใจมันต้องอยู่กับปัจจุบันตลอดอยู่กับการเคลื่อนไหวทุกก้าวย่างเลย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 เวลาอยู่ข้างหนังก็ทำเป็นลิงหลอกเจ้าสแสดงว่าไม่ไม่เคารพทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลัง mm hmm. เราต้องเคารพตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าท่านหรือไม่อยู่ต่อหน้าท่านทุกครั้งที่เราคิดถึงท่านเราต้องคิดด้วยความเคารพด้วยความรักด้วยความไม่ประมาทบทคำถามที่ฝากถามค่ะ<อ>จริมันมีคำถามที่อยู่ในหน้าอื่นไหมเข้าไปดูบ้างหเปล่า อ๋อด้วยไม่เป็นไรถามอะไรครับ <c oughs> รการรับราชการหลวงพ่อเป็นอย่างทรงครับเมื่อวานกระถามแล้ววันนี้ก็มีอาทําให้เพื่อนกัลยาณมิตรเขฝากมาถามอีกแต่ส่วนตัวผมนั้นอยากจะกลาวเปลี่ยนหลวงพ่อโดยตรงทุนี้นะครับจริงๆแล้วผมเอาเรื่องบอกเล่าก่อนนะครับบอกเล่าส่วนตัวนะครับ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 ถไถนาใหม่ไม่รู้อะไรเลยนะครับก็มาศึกษาพอศึกษาแล้วมีปรัชญามีตําราอะไรก็ท่องหมดนะครับอย่างเช่นอริย ส, สัจสีทุกสมุทัยนิโรธมรรตอะไรอย่างนี้ท่องได้หมดทุกอย่างอิทธบาตทีฉันทบริยัตจิตวิมังสาอะไรอย่างนี้ท่องได้แต่ก็หาจุดคำไม่ได้จึงตั้งใจว่าเ อ, อถ้าเราถ้าเราเป็นมีโอกาสที่จะช่วยศา ส, สนาได้ถ้าเราเป็นเกิดมาทุกนัก ก็ตั้งปฏิพาณ์ว่าจะช่วยจนนั้นจนนบัตรนี้ได้ทำหน้าที่กัญยาณมิตรเป็นผู้นำบุญบ้างเป็นยมวัดบ้างนะครับแล้วก็มีวันหนึ่งไปเจอสาธรรมิกได้แนะนำมาที่นี่บอกมาหาหลวงพ่อสิอยากหาที่จุดนะครับมีตำ ร, ราของครูบาจา์หลายเรื่ม อ, อ่านแล้วเหมือนจะเข้าใจแต่ไม่เข้าใจนะครับนี่คือความรู้สึกของผมว่ามาเจอหลวงพ่อแล้วอีหนที่สี่ไม่เข้าใจ กับตัดได้รู้ได้คือหาที่จุดได้นี่นคือความที่ผมได้มาฟังการแสดงธรรมจากหลวงพ่อนะครับนี่คือการบอกเล่านะครับความจวนครับคาถามนั้นกับผมเองนั้นมีหน้าที่เป็นโยมวัดช่วยอนุเคราะห์สองเคราะห์คนสองวันที่ผ่านมานะครับมีโยมท่านหนึ่งเป็นโยมวัดบางไา่เป็นผู้ถือศีล น, นะครับพอดีแม่เขา เสียไปหลายปีแล้ววันนี้ก็มาด้วยนะก็ฝากด้วยถามเนหรอว่าสองวันที่แล้วได้ทําบุญหาคือคุณแม่เขาได้เข้าฝันเข้ามาทางแฝงร่างของหลานนะครับว่าเขาเสียมาตั้งหลายปีแล้วเขายังไม่ได้ไปไหนเลยเขายังอยู่บ้านเนี่ยเขาอยากให้พ่อเนี่ยเอทําบุญกับท่านเนี่ยให้หาท่านกับก้าวลูกตอนนี้มันจะไปไหนเลยยังอยู่วัดเนี่ย อ, อยู่ที่บ้านเนี่ยแต่เสียมาตั้งนานแล้ว เลี้งฝากว่าอย่างนี้เป็นไปได้ไหมครับหลวงพ่อนะครับามาถามว่าจิตวิญญาณนั้นยังอยู่ที่บ้านอยู่หรือไม่นะครับก็เราต้องมีวิญาณอย่างทราบเราถึงจะรู้ว่าเป็นของจริงหรือไม่เป็นของจริงถ้าเราไม่มีวญาณอย่างทราบก็เหมือนกับคนตาบอดครับเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงรแต่จริงหรือไม่จริงแต่เราถือตามหลักคําสอนได้ว่า เราสามารถช่วยผู้ที่ร่วงลับไปแล้วได้ด้วยการทําบุญอุทิศไปออย่างนั้นก็ถือว่าถูกเจ้านะครับเขาก็ทําบุญหานะครับแลยผมก็ไปไปแล้วก็จบแล้วเราก็มีหน้าที่เท่านั้นแต่นี่ก็สงสัยว่าให้มาถามหลวงพ่อหน่อยเถอะวันนี้ท่านก็นมาด้วยก็มาเป็นประจำนะครับบอกว่าอยากจะถามว่าจริงเท็จไหมน้อที่ว่าที่เสียไปหลายปีแล้วก็ยังไป ไ, ปไม่ไปเกิดอีกก็ต้องปฏิบัติธรรมเอาเลยปฏิบัติธรรมจนมีดวงตาเห็นธรรมนะครับ ครับสาธุครับสาธุครับอ่าทุอ่าหมอการยาวันนี้ไม่มีคําถามหรอชอบมีคําเล่าคําเล่ามาแฝงในคําถามอ่าว่ามาก็คือวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความฝันอีกเหมือนเดิมค่ะใกล้ใกสิถือไว้ใกล้ใกลอเป็นเรื่องของความความฝันนะคะบกเอิดฝันว่า บังเอินฝันว่าอยู่ดีๆก็ได้รับเงินจํานวนก้อนใหญ่มาทีนี้พอได้มาปุ๊บก็เกิดความโลภก็คือจะเอาไป อ, าอยากได้มากก็คือเอาไปตกหลง ก, ก็ไปซื้อหวยเพราะว่าคิดว่าถ้าซื้อหวยถ้าถูกหวยเนี้ยก็ได้ตังถึงแม้ว่าไม่ถูกก็ไม่กระเทือนกับจํานวนที่มีอยู่แล้วก็อีกส่วนแดงก็คือให้พี่สาว พอให้ไปเสร็จปุ๊บก็รู้สึกว่าความโลภมันมากขึ้นมันก็เลยบอกว่าถ้าซื้อเยอะขึ้นโอกาสถูกก็จะมากขึ้น hmm. แล้วก็ให้พี่สามารถให้พี่สาวได้มากขึ้น hmm. มันก็ยังไม่สะเทือนกับเงินไ อ, ไอ้ส่วนใหญ่ที่มีอยู่แต่พอคิดอย่างนี้เสร็จปุ๊บพอจะแปลเงินปรากฏ ว, ว่าเงินถูกขโมยไปหมด <laughs> เท่านั้นจิตจากที่ปุ๊บมันเปลี่ยนฉับพลันเลยกลายเป็นฟุ้งสร้างขึ้นมาเลยว่า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 บางเอิญเสียหลักเป็นเพราะว่าเรามีปัญญาไม่รอบมีมรคน้อยแต่จากี่ความฝันเนี่ยทำให้เราเห็นอาการของทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความโลภจากความเข้าไปยึดว่าของของนั้นเป็นของตัวจึงอยากจะเรียนถามผร้อาจารย์ว่าเราทำอย่างไรเราจึงสามารถละความโลภละความเห็นที่เป็นของของตัวออกจา ก, กจิตใจเราได้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 เข้าลงครัววันหนึ่งก็ไม่กี่ชั่วโมงเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับที่เราจะต้องอยู่วัดที่เราจะได้อยู่วัดได้วัดเขาก็ต้องคิดค่าใช้จ่ายไม่ให้คนไปอยู่ฟรีๆกันนั้นเดี๋ยวคนจะล้นวัดกันขอพนกพยาไ้น มีเวลาได้ภาวนาได้เจริญตายรักตลอดเวลา อ, อ, อ, อาจารเปิดเปิดไม่ได้ยังเปิดไม่ไม่ได้ยินเสียงแต่หนูก็มีปัญหาอยากถามหลวงพ่อคะ่ะคือหนูปฏิบัติพิจารณาความตายค่ะแต่ก็ไม่ได้เข้มงวดเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องทำงานคือเวลาจิต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 เพราะใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายนั้นร่างกายตายแต่ใจไม่ตายใจสุขเพราะใจปล่อยร่างกายายทุกถ้าใจทุกก็แสดงว่าใจไม่ปล่อยถ้ายังไม่อยากตายยังไม่ยอมตายใจจะทุกข์มากเหมือนกับคุณหมอที่ฝันว่าเงินหมดแล้วก็ทุกข์ขึ้นมาเพราะไม่ยอมปล่อยเงินถ้าพิจารณาว่าเงินจะต้องหมดไป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 เดี๋ยวก็ตาย เ, าเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ตายถูกต้องมันจะได้ไม่ต้านมันจะได้ไม่ไม่หลงพอมไม่หลงแล้วมันก็ปล่อยแล้วมันก็จะมีแต่ความสุขตลอดเวลาสุขทั้งเป็นสุขทั้งตายอาดีแล้วล่ะนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องความตายนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่อับประมงคลแต่โลกที่มีความหลงนี้กลับไปคิดว่าเป็นอับประมงคล แต่ความจริงนล้เป็นปัญญาเป็นแสงสว่างที่จะทำให้ใจเรานั้นสงบใจให้เราไม่ทุกข์ดีแล้วล่ะถูกต้องพระพุทธเจ้าสอนให้เจริญอมรนานุสติทุกลมหายใจเข้าออกเลยสอนพระ อ, อนนท์ถามพระ อ, อนนท์ว่าอนนท์วันหนึ่งเธอพิจารณาความตายสักกี่ครั้งอนนท์ก็บอกว่าสี่ห้าครั้งเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน พระพุทธเจ้าบอกอนนท์เธอยังประมาทอยู่ถ้าเธอไม่ประมาทเธอต้องพิจารณาความตายทุบลมหายใจเข้าออเช่นหายใจเข้าถ้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแต่ไม่หายใจเข้าก็ตายให้คิดอย่างนี้ไปแล้วจะไม่หลงไม่ลืมจะได้ปล่อยจะได้เตรียมตัวตายได้แล้วจะไม่ประมาทจะได้รีบทําสิ่งที่เรายังต้องทําคือบุญกุศลที่ยังมี มากกว่านี้ที่เรายังไม่มีเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับการทำธุรกิจอะไรต่างๆที่ไม่มีประโยชน์กับจิตใจดีแล้ ว, ลวนะนะอนุโมทนาอังขอโอกาสถามอีกครันนะ้งนึ่งจะเรียนถามให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายความหมายที่บอกว่าเสียศูนย์เป็นเพราะว่าปัญญาไม่รอบ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 ออกไปรับไปรักไปชังเข้าก็จะเกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจขึ้นมาทันทีแสดงว่าปัญญาของหมอยังไม่รอบเกี่ยวกับเรื่องเงินที่ได้มาตั้งๆ ท, ท, ที่เป็นความฝันแต่ความฝันนี้มันบกมันบ่งบอกถึงสภาวะจิตของเราว่าเราจิตของเราเป็นอย่างไรมันจะมันจะมันจะฟ้องในตอนที่เราฝัน เราหลอกตัวเราเองไม่ได้เราจะรู้ว่าจิตของเราเป็นยังไงในช่วงที่เราฝันนะก็กลัวจิตหลอกประมาณก็กกกกกเลยถามหลวงพ่อเอออย่นี้ไม่ไม่กลัวแล้วใช่ไหมเพราะว่าครูบาอาจารย์บอกว่าอย่าไปเชื่อว่าจิตเราเออก็ต้องทดสอบมันไปเรื่อยๆอย่างที่โบราณก็พูดว่าระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์มาเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ใจต้องพิสูจน์ไปเรื่อยๆอ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 จากหน้ามือเป็นไปหลังมือเลยก็ได้เคยรักเคยรักกันขนาดไหนเกินกินกันวันพวกนี้อาจจะกอดจะเกลียดกันก็ได้งั้นต้องระมัดระวังอย่าประมาทมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมเจ้าไปไหมอันนี้เป็นคำถาม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 ก็จะขอเภียงท่านั้นที่กุติก็จะเขียนป้ายบอกว่าขออภัยไม่รับแขกที่กุติถ้าไม่มีขอบมีเกตแล้วร่างกายมันจะได้ไม่ได้ไม่ได้มีเวลาพักผ่อนไม่ได้มีเวลาออกกําลังกายต้องเดินจงกรมต้องนั่งสมาธิต้องพักผ่อนหลับนอนต้องอาบน้ำอาบท่าต้องทําอะไรจิตปาถะ้ามีญาติโยมมาหาตลอดเวลานี้มันจะไม่มีเวลาสําหรับการดูแลรักษาร่างกาย ดีผมเห็นครูบาอาจารย์หลายท่านก็ลักษณะที่พระอาจารย์ว่านะครับไม่มีเวลาพักผ่อนก็เลยสุขภาพร่างกายจะไม่ค่อยดีครับท่านก็คงจะมีความเมตตามากท่านแล้วก็ท่านก็ไม่กังวลกับเรื่องสังขารของท่านท่านอาจจะท่านคิดว่าท่านมีสังขารไว้เพื่อเมตตาสัตวโลกอันนี้ก็เป็นกรณีของท่านแต่ละองค์ท่านก็มีวิธีการที่ไม่เหมือนกันครับ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 เวลาก็พอสมควรก็ขอให้ท่านจงเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ